ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำประจงวันศุกร์ที่21มิถุนายน2567ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐบาลญี่ปุ่นได้เห็นพ้องในมาตรการใหม่เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับชาวต่างชาติในการอาศัยและทำงานในประเทศ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังมีการบังคับใช้กฎหมายที่จะเริ่มโครงการฝึกอบรมใหม่สำหรับคนงานต่างชาติโดยหลักการแล้วจุดมุ่งหมายคือเพื่อให้ผู้ฝึกอบรมได้รับสถานะแรงงานที่มีทักษะเฉพาะภายใน3ปีรัฐบาลได้ประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในวันศุกร์ที่21มิถุนายนโดยได้พิจารณาทบทวนแผนงานจนถึงปีงบประมาณ2569 เพื่อทําให้สิ่งที่พวกเขาเรียกว่าสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับชาวต่างชาติเป็นจริงแผนงานใหม่ระบุว่าผู้ฝึกอบรมชาวต่างชาติควรได้รับการสนับสนุนในการเรียนภาษาญี่ปุ่นก่อนที่จะมาญี่ปุ่นนอกจากนั้นยังเรียกร้องให้บริษัทที่รับผู้ฝึกอบรมหาวิธีที่จะช่วยให้พวกเขาพัฒนาทักษะทางภาษาของตนอย่างจริงจัง รัฐบาลจะวางระบบที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการฝึกอบรมใหม่จะเป็นไปอย่างราบรื่นนายฮยาชิโยชิมาสะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวว่าญี่ปุ่นควรมุ่งเป้าไปที่สังคมซึ่งคนญี่ปุ่นและชาวต่างชาติสามารถเคารพซึ่งกันและกันและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปลอดภัยนอกจากนั้นยังขอให้บรรดารัฐมนตรีวางรากฐานที่จาเป็นสาหรับชาวต่างชาติ ในการเลือกญี่ปุ่นเป็นสถานที่ทำงานที่น่าดึงดูดสำนักงานสำรวจอวกาศแห่งญี่ปุ่นหรือจักซ่าระบุว่าประสบปัญหาถูกโจมตีทางไซเบอร์หลายครั้งตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้และข้อมูลบางส่วนอาจรั่วไหลแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้กล่าวว่าเอกสารที่เป็นความลับสูงอาจเป็นหนึ่งในข้อมูลที่ถูกเข้าถึงจัคซระบุว่าเมื่อปีที่แล้ว มีการเข้าถึงข้อมูลจากภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งอาจนำไปสู่การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานจากเซิร์ฟเวอร์จักซ่ายังระบุอีกว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาได้ตรวจสอบขอบเขตความเสียหายและวิธีที่ระบบถูกโจมตีแต่การโจมตีทางไซเบอร์ยังคงมีอยู่จนถึงปีนี้จักซ่าระบุว่ายังอยู่ระหว่างการสอบสวนเรื่องข้อมูลที่อาจรั่วไหลและปฏิเสธที่จะให้รายละเอียด โดยอ้างถึงเหตุผลด้านความปลอดภัยนอกจากนั้นยังระบุว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติเช่นการทำงานของจรวดและดาวเทียมอยู่ในเครือข่ายที่แยกจากกันและไม่ได้ถูกโจมตีแหล่งข่าวกล่าวว่าชุดข้อมูลมากกว่า 5,000 ชุดถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกแฮ็กเมื่อปีที่แล้วรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลตั้งแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของจักราไปจนถึงพนักงานชั่วคราว นอกจากนั้นยังกล่าวอีกว่ามีความเป็นไปได้ที่แฮกเกอร์จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเข้าถึงเอกสารที่เป็นความลับสูงซึ่งได้รับการป้องกันภายใต้ข้อตกลงที่ไม่เปิดเผยระหว่างจักซ่ากับบริษัทหรือองค์กรอื่นๆจักซ่าระบุว่าการโจมตีดังกล่าวก่อให้เกิดความกังวลต่อบริษัทองค์กรและประชาชนที่เกี่ยวข้องซึ่งจะพิจารณาเรื่องนี้ต่อไป และใช้มาตรการเพื่อจัดการกับการโจมตีเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นกล่าวว่าดูเหมือนจะเริ่มเข้าฤดูฝนแล้วในภูมิภาคคิงกิโทไกและคันโตโคชินซึ่งรวมถึงโตเกียวด้วย พยากรณ์ว่าหลายวันในสัปดาห์หน้าจะมีฝนตกและมีเมฆมากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศข้างต้นเมื่อช่วงเช้าของวันศุกร์ที่21มิถุนายนฝนตกหนักขึ้นในภูมิภาคคันโตโคชินและโทไกเนื่องจากมีแนวปะทะของอากาศและความกดอากาศต่ำประกาศเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนสำหรับภูมิภาคคิงกิและโทกช้ากว่าปีที่แล้ว23วันและช้ากว่าค่าเฉลี่ย15วัน สำหรับภูมิภาคคันโตโคชินช้าวกว่าปีที่แล้ว13วันและช้าวกว่าปกติ14วันประธานาธิบดีวลาดิมีปูตินแห่งรัสเซียกล่าวว่าไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ในการจัดหาอาวุธให้เกาหลีเหนือเมื่อคำนึงถึงข้อตกลงระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือประธานาธิบดีปูตินและนายคิมจองอึนผู้นาเกาหลีเหนือได้ลงนามในสนธิสัญญาที่กรุงเปียงยาง เมื่อวันพุทธที่19มิถุนายนเนื้อหาที่เผยแพร่ต่อสาธารณะโดยเกาหลีเหนือระบุว่าทั้งสองประเทศจะให้ความช่วยเหลือทางทหารระหว่างกันหากประเทศใดประเทศหนึ่งตกอยู่ในภาวะสงครามโดยการรุกรานด้วยอาวุธผู้นำรัสเซียกล่าวในการถแถลงข่าวที่กรุงฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามซึ่งเขาได้ไปเยือนต่อจากเกาหลีเหนือนักข่าวคนหนึ่งถามว่า หาพบว่ายูเครนโจมตีที่มั่นต่างๆในดินแดนรัสเซียด้วยอาวุธที่ชาติตวันตกส่งมาให้จะถือได้ว่าเป็นการลุกรานด้วยอาวุธหรือไม่ประธานาธิบดีปูตินตอบว่าสถานการณ์ดังกล่าวใกล้เคียงกับความหมายนั้นและรัสเซียกำลังวิเคราะห์เรื่องนี้อยู่นอกจากนี้ยังกล่าวด้วยว่ารัสเซียขอสงวนสิทธิในการจัดหาอาวุธให้กับส่วนอื่นๆของโลกรวมถึงเกาหลีเหนือด้วย อย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียเน้นย้าว่าสนที่สัญญาดังกล่าวไม่แตกต่างจากสนที่สัญญาที่ทำขึ้นระหว่างสหภาพโซเวียตกับเกาหลีเหนือคำพูดนี้แสดงถึงความย้อนแย้งกับการประเมินของผู้นำเกาหลีเหนือที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียก้าวไปถึงระดับพันธมิตรแล้วนอกจากนั้นรัสเซียยังไม่ได้เปิดเผยเนื้อหาของสนที่สัญญา กองทัพอิสราเอลและกลุ่มฮิสบัลเลาะห์ในเลบานอนยังคงโจมตีกันและกันต่อเนื่องมาหลายวันมีความหวั่นเกรงมากขึ้นว่าสถานการณ์อาจเลวร้ายลงอีกหากกลุ่มฮิสบัลเลาะบุกโจมตีทางเหนือของอิสราเอลซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ที่ชนวนกาซากองทัพอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีกลุ่มฮามาสที่กลุ่มฮิสบัลเลาะห์ให้การสนับสนุน กองทัพอิสราเอลประกาศเมื่อวันพฤหั ส, สบดีที่20มิถุนายนว่าการโจมตีทางอากาศทางเหนือของฉนวนกาซาได้สังหารผู้บัญชาการคนหนึ่งของกลุ่มฮามาสเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในฉนวนกาซาเผยว่าตลอด24ชั่วโมงที่อิสราเอลโจมตีมีผู้เสียชีวิต35คนอิสราเอลยังได้สังหารผู้บัญชาการของกลุ่มฮิสบัลเลาะในการโจมตีทางอากาศที่เลบานอน เมื่อวันพระหัสปดีที่20ิฮิสบอลเลาะตอบโต้ในวันเดียวกันด้วยการยิงจรวดใส่อิสราเอลหลายลูกเมื่อวันพุทธที่19นายฮัสซันนัสลันเลาะผู้นำกลุ่มฮิสบอลเลาะกล่าวในสุนทรพ์ว่าหากเกิ์สงครามขึ้นกับเลบานอนกลุ่มของเขาจะต่อสู้อย่างไร้กฎเกณฑ์และไร้ข้อจำกัดพร้อมเตือนว่าการบุกเข้าไปทางเหนือของอิสราเอลยังคงเป็นทางเลือก หากการเผชิญหน้าทวีความรุนแรงขึ้นสนักข่าว AP รายงานว่าการโจมตีของอิสราเอลได้ฆ่าชีวิตผู้คนในเลบานอนไปแล้วกว่า400คนทั้งนักรบของกลุ่มฮิสบอลเลาะและพลเรือนและว่ามีทหาร16นายและพลเรือน11คนถูกสังหารทางเหนือของอิสราเอลจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น